ทีนี้เราลองไปดูอัตกถาบ้างนะคำว่ากรรมเก่าก็คือมาจากบาลีว่าปุพพะกตะเหตุว่าไงเพราะกรรมที่ตนทำไว้แล้วในชาติก่อนเป็นเหตุนะก็คือรัฐที่ที่ที่เข้าใจว่ากรรมเก่าเนี่ยที่ทำไว้ในปางก่อนเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งหมดนั่นแหละอธิบายว่าบุรุษบุคคลสเสวย <c oughs> สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเพราะกรรมที่ตนทำไวในชาติก่อนเป็นปัจจัยเท่านั้นด้วยบทว่าปุเพกะตะเหตุนี้มิชาทิทกะบุคคลทั้งหลายปฏิเสธกรรมเวทนาก็คือเวทนานี่บางอย่างก็เกิดแต่กรรมและกิริยาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่กิริยายอมรับแต่เฉพาะวิบากเวทนา เวทนาที่เกิดจากวิบากอย่างเดียวเท่านั้น เ, เวทนาที่เป็นกรรมมีสองอย่างใช่ไหมกุศลกับอกุศลนะแล้วก็กิริยาแล้วก็วิบากเวทนาที่เกิดในขณะกุศลจิตมีอะไรเป็นปจัจจัยนะถ้าเป็นโสมนัสเวทนานะเช่นบุคคลจะให้ทานด้วยโสมนัสเวทนาก็คือหนึ่งอาศัยความบริบูรณ์แห่ง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 ลักษณะนี้ก็เป็นอุเบกขาเวทนาที่เป็นกุศลส่วนสอมนัสเวทนาหรือสุขเวทนาที่เป็นอกุศลใช่ไหมเจอเพื่อนเก่าเป็นไงยิ้มแป่อะยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เป็นมาจากกรรมเก่านะใช่ ไ, ไอ้ดีใจที่เจอเพื่อนเก่าเนี่ยไอ้ความดีใจในขณนะนั้นไม่ใช่ผลของกรรมเก่าแล้วต่อไปอีกนะเช่นไปข้าวของเครื่องใช้แตกเสียหายแล้วก็เสียใจหรือทุกข์ใจอันนั้นก็ไม่ได้เกิดจาก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 ปัญจทวาราวชนะเป็นจิตชาติอะไรชาติกิริย า, า, ยานะเมื่อเป็นชาติกิริยาไม่ได้แปลว่ามาจากกรรมเก่าแต่กิริยาอันนั้นมีผวังขจิตเป็นอนันตระปัจจัยก็คือจิตดวงก่อนนั่นเองใช่ไหมก่อนที่ปัญจทวาราวชนะจิตจะเกิดผวังขจิตก็จะเกิดก่อนอันผวังขจิตอ น, นั้นเนี่ยมาจากมาจากปัจจัยคืออนันตระปัจจัยคือผวัง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 จักขูวิญญาณสัมปติชนะจิตสันติรณจิตคื อ, อรายคือสีใช่ไหมเมื่อคือสีสีบางอย่างก็มาจากผลของกรรมเก่าแต่สีเป็นอารามณนะปัจจัยให้แก่จักขูวิญญาณเป็นต้นดังนั้นปัจจัยของจักขูวิญญาณสัมปติชนะจิตสันติรณจิตไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวคือกรรมใช่ไมไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวคือกรรมแต่ผู้ที่เรื่องกรรมสุดโต่งไป ก็จะโยนให้กรรมอย่างเดียวใช่ไหมถ้าโยนให้กรรมอย่างเดียวเนี่ยแสดงว่าเข้าใจไม่ถูกนะักแต่ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกรรมดีจะต้องเข้าใจหลักองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องกรรมอีก4อย่างคือกาละคติอุปธิประโยชคะด้วยใช่ไหมต้องเอาความรู้เรื่องอันนี้มาวิเคราะห์เข้าไปด้วยไม่ใช่ยกยกให้กรรมเก่าไปหมดนะทำแก้วแตกผิดพลาดเองไม่รู้จักสํารวมระวังเสร็จก็ยกให้กรรมเก่าไปทั้งหมดเลยนะ ต่อไปนะว่า พ, พวกมิจฉาทิฐิเหล่านี้ยอมรับเฉพาะเวทนาที่เกิดจากกรรมอย่างเดียว เ, เวทนาที่เกิดจากวิบากนะที่เป็นวิบากเวทนาที่เกิดจากกรรมอย่างเดียวส่วนกรรมะเวทนากิริยาเวทนาไม่ยอมรับคือยกให้ผลเป็นผลของกรรมไปทั้งหมดเลยบุคคลจะสุขจะทุกข์จะเฉยๆก็แล้วแต่แล้วแต่กรรมนะถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยแล้วแต่กรรมเก่าะนะ ถ้าเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกแต่ถ้าใช้แล้วแต่กรรมนี่เปอร์เซนต์ถูกก็มีเหมือนกันแต่ไม่หมดใช่ไหมกรรมเจตนาทุกดวงเป็นกรร ม, มะปัจจัยแต่เป็นสหชาตกรร ม, มปัจจัยทีนี้บอกพระองค์ตรัสไว้โรคแปดอย่างด้วยกันโรคเนี่ยมี8ดอย่างก็คืออาพาธต่างๆนะอาพาธบางอย่างมีน้ําดีเป็นสมุทฐาน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 แล้วก็อ า, าพาธที่เกิดจากทั้งโรคดีเซมหะโรคลมเนี่ยมาประชมกันก็ทําให้เกิดอ า, าพาธได้เป็นสมุฐานแล้วก็อ า, าพาธที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูเช่นไข้หวัดเป็นต้นอ า, าพาธที่เกิดจากการบริหารร่างกายไม่ถูกต้องนะใช้อิริยาบทผิดหลักอย่างเงี้ยอ า, าพาธที่เกิดจากการพยายามที่ทําขึ้นนะก็คื อ, คอตัวเองเนี่ยทำขึ้นอ่ะสมมติว่าเดินไปเตะหินเตะ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 เพราะพาะองค์กล่าวว่าโรคภัยไข้เจ็บมีสมุดฐาน8อย่างเนี่ยยกให้กรรมหมดไม่ได้เนอ ะ, นะแต่ว่าพวกลัทธิกรรมเก่าเนี่ยนะโยนให้กรรมตะบั น, นโยนให้กรรมบางคนี่โยนให้กรรมเพื่อที่เพื่ออะไรรู้ไหมคนทุกวันนี้ส่วนหนึ่งพอยกให้กรรมเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบจะได้ไม่ต้องแก้ไข คนคนที่เข้าใจเรื่องกรรมไม่ถูกนะพอพอใช้คำว่าเรื่องกรรมปุ๊บสบายเลยนะลอยช่ำไปเลยนะไม่ได้คิดแก้ไขอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่าเข้าใจพระธรรมคำสอนถูกต้องอทีนี้บรรดากงกรรมสามชนิดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้คือทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในพบปัจจุบันอะนะชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลใน ชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมสองอุปชาเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในพบถัดไปชวนาดวงที่7ให้ผลในชาติหน้าแล้วก็สามอปาราปริยะนะอัปาราปริยายะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในพบต่อๆไปก็คือกรรมที่ที่ทําในชาตินี้นะเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่หให้ผลในชาติหน้า เจตนาของชาวนะดวงที่สองดวงที่หกชาติที่แล้วให้ผลชาติไหนนะชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่หกของชาติที่แล้วจะให้ผลเมื่อไหร่ชาติหน้าเป็นต้นไปถ้าหากว่าชาวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกของชาติถัดจากชาติที่แล้วไปอีกชาติหนึ่งให้ผลเมื่อไร่ชาตินี้เป็นต้นไปนั่นแหละแต่ว่าพวกมิจฉาทิฏฐิกบุคคลปฏิเสธกรรมสองชนิดข้างต้นเห็นไหม ปฏิเสธอะไรปฏิเสธที่ถ้าทมเวทนิยกรรมปฏิเสธอุปชาเวทนียกรรมยอมรับแต่อปาราปริยะเวทนิยกรรมอย่างเดียวเท่านั้นอยกให้กรรมเก่าตะพื้นอ่ะเอ้ยถ้าเราเคยทําเหตุไว้สมัยก่อนดีนะธนาคารไม่มายึดบ้านเราแน่คิดนานๆเข้าอ๋อมันยึดจริงๆอะ่ะเคยทําเก่าไว้ง่ายๆเลยเอาเถอะสังสารวัฏนี่กรรมอะไรไม่เคยทำํำไวบ้างอา่ะชาตินี้นะ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 ข้อสี่อ่ะไม่เคยด่าใครเลยมีไหมนั่งก็เด็กมาเลยอ่ะนั้งก็เด็กมาเลยอย่าไปว่าไอ้ตอนไอ้ใช่ตอนมานนั่งฟังทำเนี่ยไม่เลยไม่เคยเลยอ่ะเราจะเอาแบบเหมือนพระองค์พุริมานใช่ไหมดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดในอริยชาติเนี่ยคิดจะฆ่าไม่มีเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยตอนบวชแล้วตอนบวชไม่บวชนะนั่นแหละแล้วซอเซียดอ่ะเคยพูดว่าร้ายคนอื่นไหมนั่นแหละแล้วเพอร์เจอร์ พูดน้อยไม่เคยยงงี้โลภะเนี่ยโทสะเนี่ยโมิจฉาทิฏฐิเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เคยทั้งนั้นแะแต่ทีนี้เพราะความไม่เข้าใจนี่แหละทันก็เลยยกให้กรรมเก่าไปหมดนี่ต่อไปนะในกองวิบากสามชนิดพระผู้มีพระภาคจเจ้าตรัสไว้คือทิฏฐธรรมะเวทนิยวิบาก ว, จจ ว, ว, วิบา ก, กของกรรมที่ให้ผลใน ป, أ, ป, ปัจจุบันอุปชาเวทนิยวิบากวิบากของกรรมที่ให้ผลในภพถัดไปอปาราปริยเวทนิยวิบากวิบากของกรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไปมิฉาทิ่ทีกล่าบุคคลปฏิเสธวิบากสองอย่างข้างต้นยอมรับเฉพาะอปาราป ร, ปรยิยะวิบากอย่างเดียวเท่านั้นนะกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ก็ไม่เอากรรมที่ให้ผลชาติหน้าก็ไม่เอาเอาประเภทที่สามนะ ยอมรับอย่างเดียวอันลัดที่เรื่องกรรมนั้นถ้าศึกษาไม่ดีพอนะก็ทำให้ให้ เ, เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ศึกษาพระธรรมนี่แหละนะเห็นต่างหลายคนนี่บางทีพูดมาเห็นถูกเลยนั่นแหละแยกไม่ได้ของามาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนกันไม่ต้องคนอื่นหรอกมาอ่านสูตรนี้มันจะเป็นอย่างนั้น เ, เวทนามก็เกิดจากกรรมอ่ะหรอเพราะสูตรผิดหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นแหละเราแยกไม่ได้ใช่ไหม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 กุศลชาติสามวิบากชาติสี่กิริยาชาติกุศลชาติมีกี่ดวงยี่สิบเอ็ดดวงยี่สิบเอดวงคือมหากุศลจิตแปดมหากาตากุศลจิตเก้าแล้วก็โลกุตระกุศลอีกสี่นะสี่หรือยี่สิบวิบากชาติมีกี่ดวงวิบากทั้งหมดมีเท่าไหร่วิบากทั้งหมดนะมีสามสกใช่ไหยโดยย่อใช่ไหม วิบาก36นั้นได้แก่อากุศลวิบากเจ็ดดวงเอเหตุกะกุศลวิบากแปดดวงมหาวิบากแปดดวงมหาขตาวิบาก9้าดวงโล ก, กุตราวิบากสี่ดวงรวมเป็นสาสิบดวงโอ้เหมือนท่องมาเปี้ยเลยต่อไปกิริยากิริยาจิตมีกี่ดวงกิริยาจิตทั้งหมด20ดวงก็คือเอเหตุกะ ก, กิริยา สามดวงมหากิริยาอีกแปดดวงมหาคตากิริยาอีกเก้าดวงนะยี่สิบอากุศลอากุศลเจตนามีกี่ดวงสิบสองดวงอากุศลก็สิบสองเห็นเนาะใช่ไหมถ้าโลภะแปดนะโทสะสองโมหะสองวิจิกิชามีหนึ่ง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 เชื่อได้มากเลยนี่เราก็ต้องถามต่อไปว่าเหตุมีเท่าไหร่เหตุมีเท่าไร่เหตุหกเนาะเหตุหกคือหนึ่งโลภะเหตุสองโทสะเหตุสามโมหะเหตุสัต่อไปอโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุเออเหตุมีหกเอาเหตุไหนล่ะนะปัจจัยมีเท่าไหร่ยี่สิบสี่ปัจจัยหนึ่งเหตุตัวปัจจัยสอง อารามณะปัจจัยสามอธิปฏิปัจจัยสี่อานันตระปัจจัยต่อไปสมานันตระปัจจัยสหชาตปัจจัยนิสยปัจจัยนะอุปนิสยปัจจัยกรรมะปัจจัยวิปากปัจจัยนะอะไรอีกชานะปัจจัยมัรคปัจจัยสำปรยุติปัจจัยวิประยุติปัจจัยอะไรอีกอินทรียปัจจัยว่าไปยังนะ ของมาเนี่ยถ้าว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยว่ายากกันนะน้องว่าเป็นภาษาพระพุทธเจ้าได้เออุป mm ัตยโยระมะนปัตยโยทิปติปัตยโ ย, นโ ย, โยเนี่ยสบายหน่อยเ mm hmm. hey. พราะฉะันถ้าหากว่ารัที่บางอย่างนะถ้าเข้าใจผิดก็จะเป็นลักษณะนั้นหรือบางคนที่ปัดความรับผิดชอบก็ยกให้ปัจจัยไปเลยก็มีคือปัจัยมีทั้งหลายอย่างใช่หไหมเสร็จแล้วโอ้ปัดจมียี่สบสี่อย่างคุณจะเอาปัจัยไหนล่ะตอบไม่ได้อีกนั่นแหละ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 ธรรมะที่เราแสดงนี้ใครใคลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพรามผู้รู้ไม่ติเตียนไม่คัดค้านเอาผู้รู้เป็นประมาณนะไม่ใช่ว่าโหไปเอากระจกง่อยที่ไหนไม่รู้มาคัดค้านติเตียนเอาคนประเภทนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้เรียกว่าไม่เอาคนผ่านเป็นประมาณธรรมะที่เราแสดงนี้ใครๆลบล้างไม่ได้ เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพรามผู้รู้ไม่คัดค้านคืออะไรคือธาตุหกธาตุหกภาษายตนะหกมโนปวิจารสิบแปดอริยสัจสี่นะเหล่านี้ที่เราแสดงเนี่ยนะใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่หมองมัวสมณะพรามผู้รู้ไม่ตีเตียนไม่คัดค้านนะ ก็คําที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงนี่นะใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่มองมัวสมณะพราหม้รู้ไม่ติไม่คา้านเนี่ยคือธาตุหกดังนี้นี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วนะธาตุหคําว่าธาตุแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนนะหมายคำว่าธาตุก็คือทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนมีหอย่างคือธาตุเนี่ยมีหลายในนะธาตุ ธาตุธาตุสองก็มีธาตุสามก็มีธาตุสี่ก็มีธาตุห้ามีด้วยเคยได้ยินไหมไม่เคยนะธาตุหกมีธาตุหกมีธาตุสิบแปดมีนะพวกเนี้ยธาตุอันวิธีแสดงธาตุนี่มีหลายอย่างตรงนี้ยกมาประเภทธาตุหกนะธาตุหกก็คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุ วิญญาณธาตุคำที่เรากล่าวว่าธรรมะที่เราแสดงนี้นะใครๆลบล้างไม่ได้เป็นธรรมะไม่มองมัวสมณะพราหมู้รู้ไม่ติไม่ค้นคือธาตุหกดังนี้นี่เราอาศัยธาตุมีปฐวีธาตุเป็นต้นนี้แลกล่าวแล้วนะธาตุหกเหล่านี้เนี่ยที่พระองค์ทรงกล่าวแล้วเนี่ยอันธาตุหกเนี่ยนะสมมุติถ้าหากว่าย ก, ยกแขนมาเอาเอาเฉพาะข้อมือไปหานิ้วเลยเนี่ยมีธาตุ ได้กี่ธาตุอ่ะเป็นได้กี่ธาตุอ่ะนะห้าธาตุแน่นนะเอาใหม่ในในแขนเราเนี่ยนะมีได้หลายธาตุเช่นในนี้เนี่ยสมมตินะปฐวีมีไหมมีเตโชมีไหมอโปมีไหมวายโอมีไหมมีช่องว่างในนี้ไหมมีเอาได้ห้าละ แล้วในนี้มีเจ็บไหมอ่าได้หกธาตุเลยเนาะอ่ะอะาธาตุดินนะส่วนใหญ่ก็คือธาตุดินคือลักษณะที่แข่นแข็งลักษณะใดแข่นแข็งลักษณะนั้นเป็นลักษณะของปฐวีธาตุลักษณะไหนที่เอับอับเป็นลักษณะของอาโปธาตุลักษณะไหนที่แร่งตึงเป็นลักษณะของวายโยธาตลักษณะที่ เย็นร้อนเป็นลักษณะของเตโชธาต์ช่องว่างเป็น อ, อากาศสะท้านธาตุรู้วิญญา ณ, าญญาณาธาตุในสมมติว่าในในมือของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าธาตุใดธาตุหนึ่งมันแรงมันมากไปธาตุอย่างอื่นมีมปัญหาเลยเช่นถ้าธาตุดินมากไปนะแข็งกระด้างแข็งกระด้างเลยนะนี่ลักษณะของเตโชธาต์ถ้ามากเกินถ้าอาโปธาตุมากเป็นไง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 แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในนั้นเป็นลักษณะของวิญญาณธาตุญญาาตนะคือจิตเจตสิกนั้นประมวลลงมาใช้สับเดียวคือวิญญาณธาตุมหาภูต ร, รูปสี่คือปฐวีเตโชวาโยอาโปเนี่ยนะรูปเท่ากับพูดยี่แปดแล้วนะเท่ากันแล้วพูดจิตคำเดียวนี่เจตสิกพูดไหมพูดนะเพราะว่าเอกปาานิโรธาจะเอกาลัมพนวัตถุกา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 โอ้แล้เป็นเพื่อนกันกี่ชาติแล้วรู้ไห ม, มเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยนะหนึ่งอสงไขยแสนกลับอะ่ะซ<ม>ิปึกกันมาตลอดเลยไปไหนแทบว่าพลาดจากกันน้อยมาก น, นั่นแหะก็อกกล่าวถึงคนคนเดียวก็เท่ากับสองละจิตเจติสิกก็ลักษณะเดียวกันพโยคาวจรแม้เมื่อกําหนดกรรมาฐานด้วยอํานาจธาตุหกโดยย่ อ, อ ก, ก็ย่อมกําหนดอย่างนี้ รูปสี่เหล่านี้คือปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวายโยธ า, า, า, า, าตุจัดเป็นมหาภูตรูปอากาศธาตุจัดเป็นอุปาทายรูปและเมื่อเห็นอุปาทายรูปประเภทเดียวอุปาทายรูปยี่สิบสามที่เหลือกอ็พึงกำหนดว่าถูกเห็นด้วยเหมือนกันนะอุปาทายรูปอันเดียวเท่ากับพูดแล้วยี่สิบสามรูปที่เหลือ อันถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกอัตถกาถาเนี่ยถ้าหากว่าพื้นฐานความรู้เรื่องจิตเย ต, ตสิกรูปไม่ดีนักก็จะนึกไม่ค่อยออกเอ๊ะมันอะไรนักนาะ น, นะบอกว่านในพระบาลีง่ายอยู่แล้วอัตกถามาพูดซะยากเลยเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจไม่ถูกจะเป็นลักษณะนี้นะี่ยก็คือไม่ได้เรียนพื้นฐานมาตั้งกระต้นนั้นความรู้ในเรื่องพระพิธรรมนะเป็นเหมือนไวยากรณ์เป็นเหมือนไวยากรณ์แต่เป็นไวยากรณ์ ธรรมะนะวิญญาณธาตุได้แก่จิตจิตนั้นได้แก่วิญญาณขันธ์เวทนาที่เกิดร่วมกับวิญญาณขันธ์นั้นชื่อว่าขันธ์อะไรเวทนาขันธ์สัญญาที่เกิดร่วมกับวิญญาณขันธ์นั้นชื่อว่าสัญญาขันธ์ภาษาและเจตนาที่เกิดร่วมกับวิญญาณขันธ์นั้นชื่อว่าสังขารขันธ์ขันธ์ทั้งสี่ดังว่ามานี้ชื่อว่าอรูปขันธ์ อเน่งมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ี่ชื่อว่ารูปประขันบรรดารูปและอรูปประขันนั้นอรูปประขันสี่เป็นนามรูปประขันเป็นรูปมีธรรมะอยู่สองอย่างเท่านั้นคือนามหนึ่งรูปหนึ่งไม่มีสัตว์หรือชีวะนอกจากธรรมะสองอย่างนั้นพึงทราบกรรมฐานที่ทําให้บรรลุอรหัตผลด้วยอํานาจธาตุหกโดยย่อของพิสุรูปหนึ่งดังว่ามานี้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 ยีส่วนในกายนี้ก็ประกอบไปด้วยผอมขอนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยวในกระดูกม้ามหัวใจตาตไส้ต่อนั่นแหละแล้วก็ที่เป็นอโปรธาต์คืออะไรอโพธาต์มีสิบสองธาตุน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลวน้ำไข่ข้อน้ำมดพวกนี้เรียกว่าอโพธาต์เตโชธาต์มีสี่อย่างคือเตโชธาต์ที่ทําให้ร่างกายอบอุ่น หน้านาวนี่จะเห็นชัดนะเตโชธาตมันอุ่นนะถ้ามันไม่ค่อยอุ่นเนี่ยชักอยู่ไม่สนุกแล้วนาะเตโชธาตที่ทําให้ร่างกายแกชราไอ้พุกานนี่จํามันนี้แม่น่ไหมบอกว่าถ้าเตโชธาตไม่ทํากิจนัไม่เท่านะเตโชธาตนี้แท้เลยนะตัวที่ทําให้เท่าล่วงการทานไว้นะนะแล้วก็เตโชธาตที่ทําให้นะช่วยย่อยอาหารเนี่ยนะ ว่าเตโชธาตมีความสําคัญมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขณะไข่ะป่วยไข้นี่จึงมีสี่อย่างวาโยธาตมีหส่วนหส่วนก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตามลงในท้องในลําไส้แล้วก็อะไรอีกลมพัดทั่วสารพางกายเออที่นั่งอยู่นี่ตกเป็นธาตุลมประเภทไหนทําให้นั่งนี่คือลมพัดทั่วสารพางกายทําให้นั่งนะแล้ว เหลือลมอย่างหนึ่งคือลมหันใจข้อลมหันใจออกกันอิสานเขาว่ า, อ, าอันลมจึงมีอยู่6อย่างรวมเป็นกําหนดมหาภูตรูป42ส่วนเพิ่มอุปาทายรูปเข้าไปอีกนะสี่สบวกยีาเท่ากับกำหนดรูป65ส้าส่วนเมื่อพิจารณารูป65เหล่านี้และวัตถุรูปเข้าไปด้วยอีกวัตถุรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายและหัตยะเป็น 66สิบหกรูปวิญญาณธาตุได้แก่จิต81คือโลกิยจิต81จิตทั้งหมดนั้นชื่อว่าวิญญาณขันเวทนาเป็นต้นที่เกิดพร้อมกับจิตมีเวทนาถ้าจิตเท่าไราเวทนาก็เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเวทนาก็81มีจํานวนเท่านั้นเหมือนกันรวมความว่าเวทนา81ชื่อว่าเวทนาขันสัญญาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงก็เท่ากับ81ดด้วยชื่อว่าสัญญาขัน เจตนาเป็นตัวแทนของสังขารขันก็มี81เหมือนกันนะเจตนา81ชื่อว่าสังขารขันรวมความว่าอารูปประขันสเหล่านี้เมื่อกำหนดด้วยอำนาจแห่งธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3ก็ได้แก่ธรรมายตนะสามร้อยคูณ4เท่ากับ324โอ้แม่นเนาะเท่ากับนาม324รยรูป6กหโอ้กำหนดเอาเถอะเอา เพิ่นทั้งหมดก็คือรูปกับนามเท่านั้นแล้วก็รูปกับนามทั้งหมดเนี่ยนะรู ป, ปรธรรม66นั้นประมวลมาแล้วก็เหลือแค่2 อ, อย่างใช่ไหมคือนามกับรูปไม่มีสัตว์ชีวะนอกไปจากธรรมะสองอย่างนั้น